โฟร์ลท r ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์พลัสราคาปกติ 7,549 บาทชุดโปรโมชั่น 5,900 บาทต้นทุนขวดละ 1,966 บาทพลัสขายดีราคาขายปลีกอยู่ที่ 2,500 บาทกำไรขวดละ534บาทขายไป3ขวดกำไร 1,602 บาท ถ้าหนึ่งสัปดาห์ขายได้ห้าชุดคุณจะมีรายได้รวมเจ็ดพันสิบบาท